พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่8ดโดยหลวงพ่ออินถวายสังตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอย่าตกเป็นทาตความอยากพระในวัดของเราขนาดนี้53รูปสมณเณหนึ่งรูป แต่ก็ยังไม่เน่งนะวันเมื่อเรือนเนี่ยนะเป็นวันที่เก้าวันที่เก้าแล้วจะเน่งเป็นวันอธิษฐานพรรษาแตเ่เมื่อเมื่อเขินหลวงพ่อก็นั บ, น, บนัดประชุมพระสงฆ์พร้อมกันเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมอที่จะจําพรรษา สรุปแล้วก็คือแนแนวแนแนวในการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างไรวันนี้เป็นวันที่เจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2560ัวันนี้เป็นวันป่งผมแต่วัน พ, พุ่งนี้เป็นวันอาศระหาบูชาเป็นวันพระใหญ่แล้วก็วันพุ่งนี้ให้พวก ครูบาบอกทั้งผู้ใหญ่บ้านประกาศตามสายให้มาใจบาทรอบศาลาใหญ่วันพุงนี้เพราะว่าเป็นวันเทศกาลเป็นวันสำคัญลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมก็ควรจะมาวัดมาตักบาตร ท, ทาบุญกับพระสงฆ์ในวัดเมื่อทาบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราจะได้เข้าในสล า, าและกามีการไหวพาา้พระสมาทานศิลปศิลป์เข้าพรรษาศิล์วันพระนี่เป็นศิลพิเศษคําว่าทําไมจึงว่าศิลพิเศษเพราะว่าเป็นการตั้งต้นเริ่มต้นหรือตั้งใจกว่าทุกวันพระบางท่านบางคนอาจจะตั้งอจิตอธิษฐาน ในพรรษาในข้าพเจ้าจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อตนเองอันนี้ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจวันวันอาสรหาบูชาเป็นวันเข้าพรรษาหรือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันสําคัญพวกเราควรจะมาพร้อมกันปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้ง อกตั้งใจตั้งใจมั่นในการที่จะประกอบคุณงามความดีหลวงพ่อย้ําแล้วพูดอีกในจุดนี้นะไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าความตั้งใจประกอบคุณงามความดีท่าว่าตั้งใจประกอบทําความชั่วเมืนกับความเป็นความชั่วสุดโตง่งเหมือนกันถ้าเราทําประกอบอ ตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีมันก็เป็นความดีสุดโต่งเหมือนกันพะเป็นความดีที่ตั้งใจที่จะต้องทำนี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีนี่แหละนี่ที่จะต้องทำด้วยความสัตด้วยความสัตย์จริงไม่ใช่ว่าทำแบบหลอๆอแล้วแล ะ, และ ผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละปีไปอย่างที่พวกเราที่ผ่านผ่านมาอพอนึกย้อนหลังก็ไม่ประทับใจเพราะอะไรเพราะเราเคยทำผ่านมาแต่บางครั้งก็เออเอาอประทับใจพอสมควรแต่นี้พวกเราหลวงพ่อเองอยากจะให้มีความประทับใจจังไม่ลืมคือเราตั้ง จ, จิตตั้งใจจริงในพรรษานี้เราควรจะทำอะไรให้กับตนเอง ให้ลังวันกับชีวิตของตนเองเราเป็นข้าทาสม า, อาพอแรงแล้วนี่ทาสอะไรทาสความอยาก เ, าเราทานดูๆแล้วหลวงพอ่อไปอ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกท่านว่าคนเราเนี่ยเป็นทาสเป็นถูดเป็นทาสของท้องอท้องนะมันหิว มันหิวก็หาให้มันกินมันก็หิวอีกหาให้มันกินอีกฮะมันหิวอีกหาให้มันกินอีกเออเราก็เลยใจของเราเลยเป็นธาตุของความอยากหลวงพ่อได้ยินเหรออือใช่ไหมเออมีส่วนทีเดียวคนเราเนี่ยเป็นธาตุเป็นขี้ข้ารับใช้ของความอยากเออมันหามันอยากอะไรก็หามาใจ หาให้มันกินท้องมันก็หิวอยู่เลยกินเข้าไปแล้วก็ทายทายมันก็หิวหิวก็หามาใช้อีกเอไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงจุดจบของวันตายแล้วก็จุดจบเหรอแปล ว, แว่าไม่เป็นขี้ข่าแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอเราเป็นค่อยเป็นข่าเป็นทาตของความหิวความหิวโหย้ยความอยาก แต่บางคนก็อยากจนถึงทำความโชกเพราะความอยากของตนเองก็มีเพราะนั้นในหลวงท่านจึงบอกว่ า, เ, าเศรษฐกิจพอเพียงนะจุดนี้นะ่ะคล้ายๆว่ายับยั้ง อ, อย่าให้เกินไปถึงเราจะหามาให้ขนาดไหนของมันไม่มันไม่หายอยาก เ, าเพราะนั้นให้พอเพียงพอเพียงพอพอเพีย ง, ย ง, ยงประมาณ ในการดำรงชีพของตนเองนี่แหละอันนี้จุดนี้ก็ให้พวกเราได้คิดอีกเหมือนกันจริงไหมหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาดูแล้วอือใช่พวกเราเนี่ยเป็นทาตเป็นขี้ข่ารับใช้ของความอยากจริงๆตื่นมาก็นี่ยนะไม่อยากจะไปก็ต้องได้ไปไปบินทบบาทลับมาแล้วก็มาชันชันเสร็จแล้วก็ขึ้นไป วันพงนี้อีกคิวเอกไปอีกสรุปแล้วก็คือเป็นถาดเป็นข้ารับใช้ของความหิวโหยความอยากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเราจะเป็นขี้ข้าอยู่ตลอดไปอย่างนี้เหรอเราควรจะประกอบคุณงามความดีเมื่อเรารู้ตนเง่ารู้เรื่องต่างๆการเป็นอยู่แล้วก่อนนะ เราควรจะหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราบ้างมีดไม่มีทางอื่นที่จะหลีกลี่ยนี้จากความอยากความหิวความกระหายความหิวโหวยตัวนี้นะ่ะนอกจากประตูธรรมะคือมรรคแปดเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคสูผลในเมื่อเราเดินเดินไปสู่มรรคผลจุดนั้นแล้วนะ่ เราจะพ้นเราจะพ้นความหิวโหยความอยากไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ตราบใดเราก็ต้องเป็นทาตาของความอยากความหิวความโหยอยู่ตราบนั้นแต่เมื่อเราไม่มาเกิดจิตใจของเรายกระดับยกระดับจิตใจของเราเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระหรันพูดง่าย ในเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่หิวไม่หยแล้วก็ไม่ตายต่างหากเนี่ยในจุดนั้นเราควรจะศึกษาทีนี่จะศึกษาอย่างไรในจุดนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะไม่ใช่คนอื่นศึกษาให้นะเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะใครเรียนก็ใครรู้ใครศึกษาก็ใครได้มรรคผลจะใช้ลูกน้องบริวาร คนใกล้ชิดไปทำแทนเราไม่ได้ทั้งนั้นจุดนี้เหมือนกับเรียนหนังสือเอาไปไปเรียนหนังสือแทนเราไปเราจะให้เงินบัตรคบใไปไปเรียนให้เราเรามีอำนาจทำให้เทียนไม่ได้ตัดคอนะเรียนหนังสือมาให้เราเขาเรียนเขาก็ได้ความรู้ของเขาตัวเองไม่เรียนก็ไม่รู้เหมือนทานอาหาร บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันไม่ได้นะตัวที่แทนกันไม่ได้จุดนี้นะ่จูนจุดที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมต้องพวกเราเองต้องศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติเองพระธรรมเป็นปัจจัตตัง ร, รู้ได้เฉพาะตนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาขอให้พวกเราทุกทกท่านนะในพรรษานี่เราจะเอาอะไร ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมากมายย้ำแล้วเตือนอีกอยากจะให้ฝ่ายพระฝ่ายพระก็เหมือนกันเราจะเอาอะไรในพรรษานี้ฝ่ายศรัทธาญาจงก่ออีกมุมหนึ่งเราจะเอาอะไรเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อเราได้ทำคุณงามความดีเป็นที่ประทับใจแล้วเราจะจำไม่ลืมนะทีนี้นะเอ อ, เ อ, อในพรรษาปี2560 ข้าพเจ้าไหว้พระไม่เคยขาดเลยในพรรษานึกขึ้นมาเมื่อไรก็ภูมิใจใคล้ายๆว่าเป็นหลักยึดในจิตใจเมื่อใจจะขาดเราก็ยังระลึกได้อีกในพรรษาปีหกสิบข้าพเจ้ารักษาศีลห้าข้าพเจ้าไหว้พระทุกวันไม่ได้ขาดการประกอบคุณงามความดีของข้าในพรรษานั้นเป็ว่า ในชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาแตลว่าโดดเด่นที่สดุดเราก็ภาคภูมิใจในตัวของเรานะแล้วก็พร้อมกันเมื่อออกพรรษาแล้วนะเราตั้งจิตอธิษฐานณนะวัดใดไม่ใช่วัดหลวงพ่อนะวัดใดก็ได้เราก็ขอไปกราบพระประธานอขอพรอ ด, นะด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำประกอบคุณงามความดี ที่ผ่านมาด้วยความตั้งใจของข้าพเจ้าด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าขอให้มาเกื้อกูลหนุนเป็นพลังทางด้านจิตใจขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจปรารถนาจังหวัดดวงตาเห็นธรรมในที่สุดคือให้ได้สาเร็จเป็นพระหันในที่สุดโดยเทิญอันนี้ก็คือเป็นการประกอบคุณงามความดีแล้วเราก็ ปาถนาหรือว่าขอพรจากคุณงามความดีที่เราได้ทำไปแล้วนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไม่ใช่ว่าปีไหนกับปีเก่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปชีวิตของเรามันไม่ใช่ผ่านแต่วันคืนเดือนปีนะชีวิตของเราก็ผ่านไปปีนี้อายุเท่าไหรนะ่ใครก็รู้แก่ใจรู้แก่ตัวของตนเอง อย่างหลวงพ่อเนะ่ะเอหลวงพ่อก็รู้หรอห ล, ว, ลวงพ่ออินัยเจ็ดสิบสามอัรู้แ่ะตัวเองจะอยู่ไปอีกกี่ปีลนะเราก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันไม่รู้ยืมวันอยู่เป็นวันวันไปแล้วก็เป็นธาตุรับใช้ความหิวความอยากตลอดไปอีกเหมือนกันวันไหนกนะ็หามาให้ท้องกินท้องกินอิม่มแล้วเขไปถ่ายออกแล้วหาไมา่กินอีก อันนี้พวกเราคิดดูสิจริงไหมนี่แหละถ้าเราใช้จิตใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบแล้วก่อนจริงนะแต่เราจะเพียงแต่หาให้เพียงปากตะท้องเท่านี้เหรอถ้าอย่างนั้นเราก็โง่จะเกินไปจะแล้วเราควรจะหาคุณงามข้อความดีเข้ า, าสู่จิตใจอาหารของใจอีกต่างหากนะอาหารของกายเนี่ยคืออย่างที่ว่านะ่ยไม่มีที่สิน้นจุดจบนะแต่อาหารของใจเนะี่ยมันมีอีกนะ อ า, อาหารข้อใจมีจุดจบไหมมีมีจุดจบเหมือนกันได้เป็นพระอรหันต์เมื่ อ, อไร่เมื่อนั้นเป็นพระอาเสข ะ, ะถ้าว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์เป็นยังเป็นพระเสขะผู้จะต้องศึกษาผู้จะต้องเรียนรู้ผู้จะต้องปฏิบัติแต่เป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าจบด็อกเตอร์ทุกแขนงจบโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งทั้งหมด เรียกว่าอาเซขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วไปว่าจบทุกวิชาอาเสขะนั่นพระหัน์ทั้งหลายเป็นเป็ น, ปนพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วแต่พวกเราเนี่ยยังเป็นเสฆะจบปริญญาเอกขนาดไหนก็ยังต้องศึกษายังไม่จบยังต้องศึกษาขแขนงนั้นขแขนงนี้มีมากมายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ทุกคนนะพุทธศาสนาก็มีจุดจบเหมือนกันเมื่อเรียนเข้าไปแล้วนะทางโลกเขาก็จุดจบจุดจบของทางโลกยังจบยังทะเลถลายปริยาเอกไม่รู้กี่แขนงกี่ขนานนะแต่ว่าเรื่องเลี้ยงร่างกายนี่ไม่มีจุดจบจนถึงวันตายวันตายแล้วก็จบละถ้ายังไม่ตายต้องหิวหวย ต้องเดียวยาต้องรักษาพระพุทธเจ้าทันยวาพระหันทันยวาพาลาฮเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักต้องพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาอยู่พากินพาอะไรต่อไม่อะไรนี่มากมายพาร่างกายไปไปทัศนากจอไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คือสรุปแล้วคือใจนั่นแหละ ใจพาไปใจพาร่างกายไปแต่พวกเราไม่รู้เพราะว่ากายกับใจนี่มันแยกกันไม่ออกแต่ถ้าว่าเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องราวกันร่างกายนเป็นของใช้ของของใจกายเป็น ใจเป็นนายกายเป็นเบาทันวานใจเป็นนายกายเป็นเบาก็เหมือนกับรถเป็นลูกน้องของคนของคนขับรถ เ, เราไปซื้อรถมาแล้วก็โชเฟอร์ก็เป็นคนขับในเมื่อขับไปแล้วก่อนเนี่ยนะทาโมทาโชเฟอร์โมโหขับผักพวงมลาลัยลงข้างถนนบงังชนต้นไม้บงังชนคู่ชนคนบงัง ฐานนิสัยโซเฟอร์ดีก็ขับตามถนนหนทางเพราะมีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีนี่และรถก็ไปในทางที่ดีถ้าโซเฟอร์โมโหโกฐานนิสัยไม่ดีรถคันนี้ก็ไม่ดีด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะหลักของพุทธศาสนาใจของเราจึงได้รับการอบรมโซเฟอร์สมควรยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรม เอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่โซเฟอร์เข้าสู่ตัวโซเฟอร์นะถ้าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วนะในจิตในใจแล้วนะรถคันนั้นกับวิ่งไปตามถนนท้นไทยทางตามสภาพของมันนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆูกทันนะหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยท่านสอนเน้นลงมาสู่ที่ใจเรื่องทั้งหลายอยู่ที่ใจทั้งหมด แต่ที่จะรู้ว่าที่ใจนั่นคืออะไรหรือจะทํำยังไงไม่มีทางอื่นไม่มีวิชาแขนงอื่นในโลกเนี่ยที่จะรู้ได้นอกจากวิชาพุทธศาสนาเท่านั้นพูดอย่างนั้นได้ให้พวกเราศึกษาดูจุดนี้ที่พูดไปไม่ใช่โออวดไม่ใช่ยกย่องพระพุทธศาสนานะให้พวกเรานึกดูสมาธิเท่านั้นเออจึงจะยดึดแยากกายกับใจออกได้ชัดเจน เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะเห็นร่างกายชัดเจนเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดรถกับคนขับรถนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่เดี๋ยวนี้พวกเราหลวงพ่อก็ยังแยกไม่ออกอยู่ใจกับกายกับใจแต่เมื่อพวกเรานั่งสมาธิเมื่อไรจิตใจสงบเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะยอมรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าโอ้โหพระพุทธเจ้าทาไมฉลาดจริงหนอประกาศภาษาสนามมาทั้งงพัน ห้าร้อยหกสิบปีเรานำมาประพฤติปฏิบัติก็ยังยอมรับน่องพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะนะนี่แหละถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วเราจะยอมรับอย่างนั้นนะไม่ใช่ยอมรับที่อื่นนะยอมรับที่ตัวของเราคนอื่นพูดให้ฟังฟังอยู่อย่างหลวงพ่อพูดนะพวกเราฟังหูไวหูฟังหูไวหนะูแต่เมื่อพวกเราทาจิตใจให้สงบเมื่อไรเมื่อนั้นละ่ะหลวงพ่ออินโอ้พูดถูกมา ยอมรับเลย น, ะนี่แหละให้พวกเราปฏิบัติเนอะเรื่องศีลธรรมนะธรรมะเป็นปัจจตังอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่า ว, วนะสมชายมันบอกเขตบอกกล่าววันนี้ผลจะตกบอเอาตอนนี้ไปรับพ่อนใะนตนี้นะ